รถแห่งธรรมธรรมนะขึ้นรถทั้งปวงน ะ, ะคำว่ารถทั้งปวงก็หมดแต่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี้เป็นยอดชั้นชนะรถทั้งปวง ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีคาตเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกธามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจับพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม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 ห่างเหินห่างหวนจากความสุขอันเป็นบร ม, มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรสแห่งธรรมในขั้นท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏตะก็เป็นรสที่จะยังปู น, นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นนั้นตลอดไปนี่ท่านเรียบทวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสทาอันนี้ระดับใจของนรา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 นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะถึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปังส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระาวจนะคำอสอนข้อโครงเจ้าเลยแต่พะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าอรมณ์สุไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง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 ตาประจักใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ู้เลือโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเรานั้นนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนตไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกห ก, กเหมือนอย่างโลกทั่วไปเราขออนามายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมัง ข, นงขนันนังขฉามิี้ปรกานงด้วยการประพฤติปฏิบัติตน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 มองเห็นตัวของเธอเป็นสัพท์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัพท์ซึ่งที่กล่าวมาก็มีท day, the the anyway. way, the the the the ี <Okay? S 1> ung, kinda, ooky, ่เก่ามีจุนักแล้วก็มีโกะแล้วทั้งหลังที่สุดนี่ก็อ่าเป็นช้างนะบอกว่าทั้งหลังนี้พอเจอตัวเป็นช้างก็ก็มีกราบท่านนะก็กราบอ่าก็มลงไปกราบท่านเลยในรูปของช้างจะกราบช้างเหรอ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 ถ้าถามกลัวเดี๋ยวเขาจะดุเอกลัวจะดุนะไอจานนี่ก็เหมือนเสือตน่เธไม่กล้าว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมจะกลัน้อดุจิตวิญญาณก็ไม่เหมาะอะไรดูกระดูเวลาจะดุมันเหมาะไม่เหมาะยังดุได้ใช่ไหมเวลาคิดเขียนก็เหมาะไม่ตอบคิดเขียนเนี่ยนั่เห็นตัวเหมาะ สัตอันนี้ไหนก็ตมามเรามันเป็ น, ม, นโมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจนหมดเอามาเทียบที่พี่ น, าน้าเนี่ข้อเรื่องนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์นี่เองเป็นแต่เรื่องของความรุ้มักว้างแคบต่างกันเลื่อขึ้นย่างี่แตต่างกันมเรื่องวัตถจักร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 ความอยากเดียวกันนี้เข้าใจเหรือนี่หึเข้าใจหรือยังนั่นสินีน่คไม่อยากจะตอบคุณอะเคยอธิบายให้ฟังหลายคุั้ ง, งครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากได้ฟวามครั้งที่สครั้งที่3ามมันก็ได้